คำว่าร่วมกันคือด้วยกันที่ชื่อว่าที่นอนได้แก่ที่นอนมีเครื่องมุงทั้งหมดมีเครื่องบังทั้งหมดหรือมีเครื่องมุงส่วนมากมีเครื่องบังส่วนมากคำว่านอนความว่าเมื่อดวงอาทิตย์อัดสดงในวันที่4เมื่ออนุปสมบันนอนภิกษุก็นอนต้องอบัปตปาจิตตีเมื่อภิกษุนอนอนุออนปสมบันก็นอนต้องอบัติปาจิตตีหรือทั้งภิกษุและอนุปสมบันนอนต้องอบัตตปาจิตตี ภิกสุลุกขึ้นแล้วกลับไปนอนอีกต้องบัตปาจิตตี